สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Comtoday Radio นะครับทาง FM 89.5 MHz นะครับอยู่กับผมพรชัยจันทสุประแสงนะครับประกอบิ้งประจำวันจันทร์ที่17บนะฮะมิถุนายนนายนะครั บ, ยย 2, รบก็เหลือเวลากันประมาณเกือบ3อาทิตย์นะครับก็จะถึงงานคอมมาที่จะจัดขึ้นสำหรับครั้งนี้ใช้ชื่อคอนเซปต์ว่าคอมมาจอยนะฮะสองพนะฮะ ค, คมมยนีก็จะจัดขึ้นระหว่างวันที่4ถึง วิธุด อ, อกระดกดาคอ ม, มชิมิถุนาสลับเดือนละนะกระดกดาคมก็ช่วงต้นเดือนหน้านะครับเงินเดือนออกใหม่ๆก็มาร่วมเดินช็อปเดินชิลเดินชม <c oughs> กันได้ในงานคอมมานนั่นเองนะครับวันนี้หนึ่งชั่วโมงเต็มกับเนื้อหาสาระดีๆที่จะนํามาฝากกันนะครับก็มีหลายเรื่องที่อยากจะมาเล่าให้ฟังทางรายการนะครับเราจะเริ่มต้นกับเรื่องของโนต อ่ไม่ให้นุดบุกของคอมมานด์กันก่อนนะครับเพราะว่าคอมมานด์เนี่ยก็ใกล้เข้ามาละหลายคนก็เริ่มถามกันว่าคอมมานด์ครั้งนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับต้องต้องบอกว่าคอมมานดครั้งนี้เนี่ยถ้าเราจะ ให้คําจํากัดความก็ต้องบอกว่าคอามมาิทครั้งนี้เนี่ยมีครบทั้งโน้ตบุ๊กพีซีโมบายในงานเดียวกันเลยนะครับก็พูดง่ายๆว่ามีทุกสิ่งอย่างที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยมารวมกันในงานนี้เลยนะครับก็มีการถแถลงข่าวไปเมื่อวันที่11มิถุนา ย, ยนหรือช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็มีทั้งตัวพิมพ์เองมีทางคุณอื้มพรนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทบมจ AIP แล้วก็มีเวนเดอร์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น IT ทีซิต ตี้นะครับ M S I ASUS Lenovo Dell มาร่วมแถลงข่าวด้วยและครั้งนี้ก็ได้พาร์เนอร์ใหม่ก็คือทางเจมส์มเข้ามาร่วมจอยด้วยนะครับก็ต้องบอกว่าเนื่องจากทิศทางของตลาดเกมและ eSport ในไทยเนี่ยมันมีการเติบโตอย่างมากนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาด eSport ที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนมีเกมเมอร์หน้าใหม่เกิดขึ้นมากมายทุกวันนะครับแล้วก็มีเหล่าผู้ชมที่เป็นแฟนขับคอยติดตามการแข่งขันอย่างเหนียวแน่นทั้งการชมผ่านออนไลน์และเดินทางมาเข้าร่วมกิจกรรม ในการจัดอีเวน์อย่างทุ่มทนในแต่ละครั้งนะฮะก็ครั้งนี้คอมมานดก็เลยไม่พลาดที่จะจับกระแสที่ร้อนแรงตรงนี้มา เ, เป็นทีมหลักในการจัดงานนะครับซึ่งในครั้งนี้เองเนี่ยก็ต้องบอกว่าถือเป็นครั้ง แรกๆเลยสำหรับเราเลยนะกับการที่มีทุกสิ่งอย่างทั้งโน้ตบุ๊ก pc แล้วก็โมบายมารวมกันนะครับก็ปกติคอามหมา่ก็จะเน้นพวกโน้ตบุ๊ก p ีซะส่วนใหญ่นอะเกมเมอร์นี่มาแน่นอนแต่ครั้งนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นพาที่เป็นโมบายเข้ามาเพิ่มมากขึ้นเราจะได้เห็นพวกแก d เจตต่างๆเพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกว่า ในในส่วนที่ที่เราพูดถึงตรงนี้เองเนี่ยมันก็จะมีไฮไลท์กิจกรรมอีกลายไลท์ตัวที่น่าสนใจนะฮะซึ่งพี่มิงก็ได้มีการเขียนเอาไว้แล้วละ่ะในใน Facebook ของตัวเองเมื่อคืนนี้นะฮะ เมื่อคืนนี้ไม่ใช่เมื่อคืนนี้ ส, นอนนอนสิเมื่อคืนวะันศุกร์งงงงนะก็ต้องบอกว่าแนวคิดในการจัดครั้งนี้นะฮะเราใช้ชื่อควาว่า intro futuristic life นะฮะจากจินตนาการสู่ชีวิตล้ำสมัยนะเป็นการนำไลฟ์สไตล์สุดสนุกในโลกของเกมแลนะความบันเทิงมาให้สัมผัสจริงจะเป็นงานกลางปีที่มีความแตกต่างจากงานต้นปีที่ผ่านมาเนื่องจากครั้งนี้เนี่ยผู้เข้าชมจะได้พบกับแบรนด์อและผู้จาหน่ายสินคา้า ครบทุกแบรนด์ที่มีจำหน่ายในไทยนะฮะต้องยำ้งยำเนี่ยตอกย้าการเป็นมาร์เก็ตเพลสด้านไอทีเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยนะฮะนอกจากนี้นฮ ะ, ะยังเป็นครั้งสำคัญที่เราจะได้พบกับ่ซนโมบายที่บอกเพราะว่าก็มีผู้จัดจำหน่ายสมาร์ทโฟนค่ายโมบายเหมือนกับช็อปใหญ่ๆเนี่ยมาร่วมจอย กันในงานคอมมัดครั้งนี้เพราะว่าปกติเราก็จะมีรีเทลหรือช็อปใหญ่กักสายที่เป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กเข้ามาเยอะไม่ว่าจะเป็น ITCity JAV Advice แอด e วสปีดนะฮะหรืออีกห ล, หลายเจ้าอย่างที่แบบลองลองลงมาก็มาร่วมจอยแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะได้ค่ายอย่างฝั่งของเป็นมือถือไม่ว่าจะเป็น Studio 7เซเ i ่นไอเอสพนะจะค่าย Apple หรือจะเป็นอย่าง อ่อ C S uh, C ที่มีทุกแบรนด์ทุกค่ายเอามาขายนะครับหรือแม้กระทั่งอย่างที่บอกคือเจมารซึ่งก็ไม่เคยมาร่วมกับคอมมานด์ครั้งนี้ก็มาร่วมจอยกันด้วยนะฮะแล้วก็นอกจากนี้นะในช่วงกลางปีเนี่ยถือได้ว่าช่วงที่ตลาดไอเนี่ยมีความคึกแค่ไม่คึกคักไม่แพ้ช่วงต้นปีนะเนื่องจากสินค้าที่เปิดตัวจากต่างประเทศตอนต้นปีไม่ว่าจะเป็น C E S นะฮะคอมพิวเทคเนี่ยก็เปิดตัวกันหมดและ ตอนนี้ก็จะมาถึงช่วงเวลาที่จะนำมาขายในเมืองไทยซึ่งคาดว่าน่าจะมาครบกันทุกรุ่นเลยทีเดียวนะครับประกอบกับมีการเปิดตัวสินค้าใหม่ในไตรมาสสอย่างต่อเนื่องจังหวะในการจัดคา ม, มาจอยซึ่งขยับมาเป็นเดือนกตกฎ า, ก, าก็เลยลองรับพอดีกับสินค้าใหม่ล่าสุดนะฮะและสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคช่วงเปิดภาคเรียนที่ต้องการหาซื้ออุปรกรณ์ไอทีมาใชา้ในการเรียนเลยก็ว่าได้นะฮะ แล้วโซนพิเศษมีอะไรบ้างนะฮะมีเยอะเลยเริ่มต้นจาก e sport game นะฮะก็เป็นการรวมอาณาจาก e ักร e sport game แบรนด์ชั้นนำจัดเต็มไอเทมใหม่ล่าสุดให้ลองพร้อมเป็นเจ้าของด้วยโปรโมชั่นสุดล้อนแรงครบทุกแบรนด์ในงานเดียวนะครับ หรืจะเป็นในส่วนของ Entertainment World นะฮะโล่แห่งความบันเทิงยุคดิจิทัลและทับสินค้าความสุขทั้งที่บ้านและการทํางานนะฮะ e อ็กซ์ติมไลนี่ก็สัมผัส Extreme สุดล้ําด้วยนะวัตรกรรมที่เป็นจริงแล้วในวันนี้แล้วก็ยังมีพิเศษจริงๆอันนี้ไฮไลม์มากกับเข้ามา Jo ยอาร์เค็ดนะฮะโซนพิเศษที่นําเกม Arcade แนว Retro กลับมาเล่นให้หายคิดถึงพร้อมร่วมทํากิจกรรมเพื่อสังคมทั้งสนุกทั้งได้ช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเจนไหนก็มาเอ็นจได้ในโซนนี้นะฮะ แล้วก็จะมาถึงตัว enjoy life with smart car ก็เป็นอีกครั้งที่คอมมาแจากรางวัลใหญ่เป็นรถยนต์สุดไฮเทคให้กับผู้ชอบงานเป็น smart car นะครับห้อ mg i smart 3นะบุลค่าเกือบ6 0แสนถึงเแสนบาทนะครับก็ชอบกันครบทุก 3,000 บาทก็มีสิทธิ์ร่วมลุนแล้วนะครับไปแลกกันที่ Big b bon o บน s แล้วก็ สุดท้ายเนี่ยฮะคอมม่าทรานเดอร์เซลล์นะฮะลดฟ้าผ่าฉลองหน้าฝนกับสินค้า IT ทีแกจิตอุปกรณ์เสริมพร้อมโปรโมชั่นสุดพิเศษจากบัตรเครดิตมากมายนะครับย้ำกันตรงนี้ก็งานคอมมาจัดขึ้นแน่ๆ น, นะฮะสีกรกฎาคมที่ไม่ใช่ศูนย์ประชุมที่ศูนย์จัดแสดงสินค้าไบเทคบางนาะนะหมายังติดคําเดิมอยู่ก็ครั้งนี้อยากรู้ว่ามีใครมาจอยบ้างก็ลองไปดูใน เฟซบุ๊กของพี่มิงได้นะแปะโลกโก้ไว้หมดเลยไม่ว่าจะเป็น H. Y. A. M. D. Intel Asus Banana นะฮะ E. Cup นะฮะ C. S. C. Dell นะฮะ uh, Aaronware F. San นะฮะ It City นะ The Power Home Pro J. I. B. J. Mart นะ Lenovo M. S. I. Speed S. P. V. I. Studio Seven S. V. O. A ไทเป้เครดิตบูรเล์แบงก์ออมสินนะแล้วก็มีเขาเรียกว่าพาร์ทเนอร์ในฝั่งที่เป็นช่วยกันโปรโมทไม่ว่าจะเป็นเอ็มอาร์ทีนะฮะับบิส e ์เด็พลัสคอมจูเดอเลิเตอร์นะฮะเก็ Get ก็มาช่วยด้วยเ a j จอร์ก็มางานนี้รวมถึงเอ็มจี MG นะครับอ่ะทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่มาร่วมจอยกับคอมบัดในครั้งนี้จริงๆมีมากกว่านี้นะฮะก็ พูดครบไหมอ๋อขาดนี่ไปอีกหนึ่งเจ้าเนะี่ยขอ <c oughs> อภัยบานาน่าอ่านผ่านไปนิดหนึ่งนะมีบานาน่ามาด้วยนะมี ASUS มี Lenovo มี d e ดลนะเนะนะอสเซนต์เนี่ย a อ c e n t ตินะฮะออกมากันทุกเจ้าจริงๆนะอ่านกันไม่ครบเลยก็ยังไงไปติดตามกันได้นะครับมาที่เรื่องของเขาเรียกว่าเคสของ ไอโฟนรุ่นใหม่เนะี่ยเขาบอกไม่ต้องลุ้นแล้วเพราะว่าเผยภาพเคส iPhone รุ่นใหม่ดีไซน์กล้องเหลี่ยมมาแน่นะครับก็คงไมต้องลุ้นแล้วนะครับว่าเพราะว่าหลังจากช่วงนี้ก็จะมีภาพคอนเซปต์แล้วก็ภาพหลุดของ i ไอโฟนะรุ่นใหม่ออกมาปรากฏออกมาปล่อยเลืเกินนะส่วนมากก็จะชี้ไปในทิศทางเดียวกันว่า iPhone ตัวใหม่ที่จะออกในปีนี้เนี่ยจะมาพร้อมกับดีไซน์โมดูลกล้องแบบสี่เหลี่ยมแน่นอนนะครับก็มีการเปิดเผยผ่าน Twitter ของนักวิเคราะห์หลายๆอย่างอย่าง หลังล่าสุดนะก็มี Twitter ที่มีชื่อว่าเบนเจสกินนะครัก็เป็นเจ้าเดิมแหละที่ชอบปล่อยภาพเคสกันกระแทกสําหรับสมาร์ทโฟนรุ่นหนึ่งนครับเาเรียกว่าเหมือนยังไม่บอกไอโฟนแต่พูดถึงเคสกันกระแทกเลยนะครว่าพร้อมระบุ ข, ข้อความว่า Su มพลีไซส์2019ไอโฟนเคสนะครับใช่ครับใช้เคสสําหรับ iPhone รุ่นใหม่ประจําปี2019รุ่นใดรุ่น1แนนะ่นอนคาดว่าน่าจะเป็นของ i ไอโฟน10เหมือนกับ XI นะครับบางคนก็เลือก11นะครับกับ iPhone 11 Max นะครับหรือว่า 10R ตัวใหม่ตามข่าวหรือเปล่านะครับซึ่งจากรูปภาพที่ปล่อยออกมาเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยอาจจะมาพร้อมกล้องหลัง3ตัวเพราะฉะนั้นเคสมันก็เลยต้องมีทําเป็นช่อง3ช่องเอาไว้แบ่งเป็นเลนส์หลักเลนส์มุมกว้างเลนส์ซูมมาพร้อมเซ็นเซอร์หรือไฟแฟลช LED นะในโมดีมดูลเดียวกันสุดท้ายเนี่ย iPhone รุ่น2019 ก็ถ้าดูตามธรรมเนียมก็น่าจะเปิดช่วงประมาณเดือนกันยายนนะฮะแล้วก็ขายกันจริงๆก็คงประมาณเดือนพฤศจิกหรือว่าธันวาคมนู่นเลยนะฮะก็ต้องรอดูกันว่าทาง Apple เนี่ยจะมีดีไซน์ตามนี้หรือไม่หรือจะมีฟีเจอร์อะไรที่มันว้าวหรือไม่นะฮะแต่โดยประสบการณ์ก็ต้องบอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็จะมีความคล้ายเคียงคลเคียงใกล้เคียงมกง า, ากๆไม่เหมือนสมัยก่อนยุคที่สต e ปจอบยังมีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาข่าวลื อ, ออกมากับของที่เป็นจริงเนี่ยมักจะไม่ค่อยตรงกัน แต่หลังๆเนี่ยมันมันเหมือนกับว่าระบบการเก็บข้อมูลหรือความโหดของของทิมคุกอาจจะไม่เคี่ยวเท่ากับสต mm ิปจ็อกก็เลยทำให้ภาพหลุดๆออกมาเยอะแล้วส่วนใหญ่ช่วงหลังเวลาหลุดล อ, อ่มาก็เหมือนของจริงนะไม่ค่อยเพี้ยนเพราะว่าหน้าตาของ iPhone ที่เราเห็นในยุคหลังเนี่ยก็เหมือนข่าวลือที่เขาออกมาเป๊ะๆนะซึ่งมันก็เลยไม่ค่อยสร้างความตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจเวลา สติปเจาออกมาพูดเหมือนสมัยก่อนเพราะว่าทุกคนจะลุ้นว่า i, ของที่เราเห็นมาแล้วมันอะไรใช่ไม่ใช่แต่ส่วนใหญ่มันจะไม่ใช่เนี่ยก็อยากจะเห็นว่าและไอ้ของจริงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยังไงมันก็ถือเป็นอะไรที่เป็นสเสน่ห์ของไอโฟนในยุคที่แล้วแต่ตอนนี้ก็ถึงสเสน่ห์จะน้อยแต่ก็เชื่อว่าก็ยังมีคนที่เป็นสาวกกันอยู่เยอะเนาะหลายคนก็ยังไม่คิดจะแปลเปลี่ยนแปรพักไปใช้ Android หรือใครอื่นซึ่ง ตอนนี้นะฮะก็คงต้องลอดูกันต่อไปว่าถึงเวลานั้นเนี่ยกล้อง3ามกล้องของ iPhone จะมาจริงหรือเปล่าแต่เชื่อว่ามาแน่ๆครับรายการคอมจูเดยสนับสนุนรายการโดยบริษัท ARIP จำกัดมหาชนและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยาลัยนัปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม เธอไม่ต้องรู้ว่าฉันเป็นใครไม่ต้องใส่ใจก็แค่รับความจริงใจไปเท่านั้นไม่ต้องสนใจฉันขอให้ฉันได้ทำเพื่อเธอ จะเป็นร่มเงาให้พักทิ้งจะเป็นที่ไมายให้เธอได้ยืนหลบฝนให้เธอไม่หนาวแค่บางครั้งบางคราวก็เป็นสุขใจแล้วแค่อยากดูแลเธอรักเธอก็เท่านั้นอาจไม่สำคัญ เป็นไรแค่ที่ได้เห็นเธอยิ้มออกก็สุขใจไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอจะเป็นร่มเงาให้พักพิง oh baby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 แค่เพียงได้เห็นเธอยิ้มออกก็สุขใจไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอ อยากดูแลเธอรักเธอก็เท่านั้นอาจไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรแค่เพียงได้เห็นเธอยิ้มออกก็สุขใจไม่ต้องการอะไรมากไปแค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวอยากดูแลเธอเธอเธอ อาจไม่สำคัญก็ไม่เป็นไรแค่เพียงได้เห็นเธอยิ้มออกก็สุขใจไม่ต้องการอะไรมากมายแค่ได้รักเธอไปฝ่ายเดียวก็พอ oh oh oh oh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 เป็นข่าเปิดตัวจอยคอนนะครับรุ่นใหม่สำหรับ Nintendo s วิสนะฮะเขาบอกว่าจับถนัดกว่าเดิมเล่นสนุกยิ่งขึ้นนะครับแม้ว่า Nintendo Switch จะมาพร้อมกับจอยคอนที่สามารถถอดแยกแล้วก็ใช้งานแบบไร้สายได้แต่ด้วยขนาดที่ไม่ใหญ่มากนะครับทำให้ผู้เล่นบางคนจับไม่ถนัดโดยเฉพาะปุ่ม xyab ที่เล็กพอขวดนะฮะทั้งไม่มีปุ่ม D p a d อีกนะจึงควบคุมการเล่นได้ไม่สมเท่าที่ขวดปุ่มด p a d ก็เป็นปุ่มในการควบคุมการเล่นของ ของ Nintendo และ Nintendo เนี่ยก็เป็นเครื่องเล่นจริงๆแล้วก็มีมานานแล้วแหละเพียงแต่ว่าก็จะมีหลายๆรุ่นออกมานะฮะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยทาง h o ริค่ายผลิตอุปกรณ์เสริมของ Nintendo เนี่ย Nintendo สวิตตตัวเนี่ยได้เปิดตัวจอยค o n รุ่นใหม่ที่เอาไว้เล่นกับเ e m อ, อ n X m a กซ์ a มชชีนนะฮะชชีนโดยเฉพาะซึ่งมาพร้อมกับกลิต นะีหรือดีไซน์ที่ช่วยให้จับถนัดมือมากขึ้นแล้วก็ยังมีขนาดใหญ่กว่าเดิมด้วยนะครับก็คือไม่ต้องกลัวหลุดกลัวหล่นเหมือนเดิมนะด้านปุ่มด p a d ก็มีมาให้พร้อมมีปุ่มมาโครที่ด้านหลังข้างหลับปุ่มนะฮะที่สามารถตั้งค่าใช้ปุ่มพิเศษตามที่เราตั้งไว้นะเหมือนกับเดี๋ยวนี้มือถือนะจะมีปุ่มข้างกดได้เมนูนั้นเมนูนี้นะฮะอย่างไรก็ตามนะครับตัวจอไม่มี h ีดีรัมเอ็แล้วก็ไกด์โรแล้วก็เซนเซอร์ไออาให้ใช้แบบ ต่อจอแยกเหมือนปุ่มจอยคอนดังเดิมได้นะใช้ได้ก็คือมันไม่มีนะฮะตัวนี้ใช้ได้เฉพาะตอนต่อเข้ากับตัว Nintendo Switch อย่างพกพาเท่านั้นนะฮะก็ n i n เ e n d o s วิสเนี่ยก็ต้องต้องต้อ ง, ต, องต้องอธิบายนิดนึงว่ามันก็เป็นเกมเครื่องเล่นเกมตัวหนึ่งที่คนนิยมมากเพราะว่าในในยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราก็จะมีการผลิตเครื่องเล่นเกมมาหลากหลายไม่ว่าเป็นเครื่องวีนูนี่นะ่ซึ่ง ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะนึกถึงเขาเรียกว่าสมัยก่อนเรียกว่าเกมอาร์เคดเก ม, เก ม, เก ม, เกมตู้นะหลายคนก็ชื่นชอบการเล่นแบบนี้ซึ่งคอมมาจอยครั้งนี้เนี่ยเราก็ไปรวบรวมเกมเหล่านี้มาให้เราได้เลโชได้มา e อ j o y เหมือนกับเป็นพื้นที่พิเศษที่จะให้คุณพ่อคุณแม่หรือคุณรุ่นเจน X อ, อย่างพี่มิงเนี่ยได้กลับมา ล้ำลึกอดีตนิดนึงว่าเออสมัยก่อนเราเคยเล่นเกมแบบนั้นแบบนี้นะมาเล่นกันในเกมแล้วก็ร่วมทําบุญกับทางบุลณิธิสร้างเสริมไทยนะด้วยนะฮะก็คือเงินทุกบาททุกสตางค์ที่เป็นการซื้อคอนเพื่อเอาไปเล่นเนี่ยเหรียญที่เอาไปเล่นเนี่ยเราจะเอาไปบริจาคกันหมดเลยนะครับก็ส่วนใครที่ เรีเยกว่าอาจจะไม่เคยสัมผัสเกมเหล่านี้เคยเห็นแต่ในอินเทอร์เน็ตเคยเห็นแต่ในยู u ูบเนี่ยก็อยากให้ไปลองสัมผัสดูน้องๆหนูๆจะได้รู้ว่าเสน่ห์บนขลังของเกมเหล่านี้เนี่ยมันก็มีความสนุกในอีกแบบต่างไปจากการเล่นเกมออนไลน์ในยุคนี้ที่อาจจะเป็นอวตารแต่งตุกนู่นนี่นั่นแต่อันเนี้ยมันเป็นสีสันอีกแบบหนึ่งก็ถือเป็นพื้นที่ที่จะให้ทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณพี่คุณป้าคนะได้มาเจอกับความสนุกของรุ่นลูกรุ่นหลา น, ล น, ลนแล้ว เวลามาตรงนี้ปุ๊บ ก, ก็สามารถเลยไปด้านไหนเพื่อที่จะลองเล่นเกมอื่นๆที่เป็นอ e ีสปอร์ตในยุคนี้จะได้รู้ว่าเด็กเดี๋ยวนี้น้องๆเดี๋ยวนี้ทำไมเขาสนุกกับเกมแล้วนี่ก็ถือเป็นการแชร์ประสบการณ์นั่นเองนะครับมาที่ข่าวของ Google บ้างนะครับ <c oughs> ก็จริงๆหลายๆปีที่ผ่านมา Google ก็มีการปล่อยสมาร์ทโฟนที่เป็น p ิ x e l ออกมาเรื่อยๆนะฮะตอนนี้เขาบอกว่าปล่อยเองซะเลย Google เผยภาพสมาร์ทโฟน Pixel 4 ก่อนเปิดตัวช่วงปลายปีนี้เหมือนกับ iPhone เหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าหมันไส้หรืออะไรเพราะว่าหลังจากที่ทาง Google อยู่ดีก็เผยภาพ Pi กเซลโว่าที่สมาร์ทโฟนเรือธงจากซีรีส์ Pixel รุ่นใหม่ผ่านทาง Twitter นะฮะเผยให้เห็นภาพเรนเดอร์ตัวเครื่องทั้งหน้าและหลังเรนเดอร์ก็คือเป็นภาพเหมือนกับ3มิติกราฟิกที่ทำขึ้นมานะฮะก่อนหน้านี้นะฮะทางแอดอลนะฮะได้เผยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่อง Pi กเซลแบบชั ด, ชด ผ่านทาง Twitter โดยโชว์ให้เห็นถึงตัวกล้องหลังนะฮะที่มาพร้อมกับทรงเหลี่ยมอันคุ้นเคยอันนี้เป็นภาพหลุดของ iPhone รุ่นใหม่เหมือนกันนะฮะและมาพร้อมกับกล้อง2ตัวกับ LED flash นะครับผ่านไปไม่กี่วันนะฮะในบัญชี t w i t t ตอร์ของ Made by Google นะอันน้ของ i p h o n Made by Google Google, Google ก็เผยภาพเรนเดอร์ตัวเครื่อง Pixel 4เองซะเลยพร้อมข้อความว่า แหมเห็นกำลังสนใจกันเอาไปแล้วเราเรารอดูว่ามันทำอะไรได้บ้างจากนั้นก็ใส่ h a ว่า h a ชแท็กพนะฮะไอภาพเรนเดอร์ที่พูดถึงตรงนี้นะเป็นภาพเรนเดอร์ของ pixel4 นะฮะที่ปล่อยโดย Google เองนะก็เขาบอกว่ามีลักษณะคล้ายกับภาพที่หลุดออกมาเกาะน้านี้มากจุดที่เหมือนกันก็คือส่วนกล้องหลังที่มาเป็นทรงเหลี่ยมนะฮะแต่ของ Google กับโฟกัสให้เห็นเลยว่ามีกล้อง2ตัว กับเซนเซอร์วัดระดับความชัดลึกหรือว่า d ิ e p s e เซอร์พร้อม LED Flash รวมกันเป็น4โมดูลชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้หลายหลคนก็บอกว่าคงต้องรอกันดูนะฮะรอดูว่า Google จะมีดีไซน์ตามจริงนี้ไหมหรือเอามาให้หาหาโดยตัว Pixel 4คาดว่าเปิดตัวภายในช่วงปลายปีนี้นะฮะ หรือว่าช่วงปีเดียวกันนี้ก็เปิดตัว Pixel 3ที่เดือนตุลาปีที่แล้วก็คือปีแล้วเนี่ยเดือนตุลามีการเปิด Pixel 3จริงๆ Pixel เนี่ยเหมือนเป็นตระกูลใน Google ที่เขาออกมาแต่ว่าสําหรับเมืองไทยเองเนี่ยก็ถือว่ายังยังไม่ค่อยไม่ค่อยคือหาเท่าไหร่นะเป็นการคือหาเฉพาะในกลุ่มที่เป็นแบบ geek เป็น nerd ก็คือคนที่สนใจพวกเทคโนโลยีจริงๆแต่ถ้าเป็นเขาเรียกว่าคุณตศิษย์ทศาอะไรกันเรียกงี้แล้วกันคนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับชื่อนี้เพราะว่า คนทั่วไปก็จะรู้จักแต่ iPhone, Samsung, Oppo หรืออะไรพวกนี้ทถวๆนี้นะโมโตโนเกียนะแต่พอมา Pixel X เอืออะไรวะก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งภาพสมาร์ทโฟนตระกูลสมาร์ทโฟนแล้วกันที่ Google พยายามจะเข็ดออกมานะก็ต่อไปนะลองเดึกดูแล้วกันว่าถ้ามือถือค่ายจีนเขาไม่ใช้ Android เนี่ย มันจะเหลือสักกี่ค่ายนะที่ใช้ Android ของของ g l e วันนั้น Google ก็คงจะตกที่นั่งลำบากเหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้กรณีของการความขัดแย้งของ h u ว w e i กับอเมริกามันก็น่าจะส่งผลกระทบกับ Google ค่อนข้างจะชัดเจนนะฮะยังไงก็ต้องดูกันว่าหลังจากนี้ Google จะเดินเกมต่อไปอย่างไรถ้าถ้าอนาคต h u ว w e i หรือซั s u ุงหรือใครต่อใครหันหลังให้กับ Android ครับ มาที่ข่าวของ DJI บ้างนะครับเพิ่งจะเปิดตัว RoboMaster S1 นะครับเขาบอกว่าเป็นหุ่นยนต์ส่งรถถังติด ก, กล้องสั่งได้หยิงได้แล้วก็ดริฟต์ได้นะครับหลังจากเปิดตัว Osmo Action ที่เป็นกล้องแอคชั่นคามิล่าตัวแรกของ DJI ไปเกาะนานีแล้วนะครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่ทาง DJI มามาเปิดตัวอีกครั้งหนึ่งกับตัว Robo Master S1 อันนี้เป็นหุ่นยนต์นะฮะเพื่อการเรียนรู้ที่เรียกว่า Educational Robotics นะครับรุ่นแรกตัวนี้มาพร้อมในล่างรถถังติดกล้องสามารถควบคุมผ่านแอปได้เขียนโค้ดสั่งได้ยิงปืนได้ประกอบล่างได้แล้วก็ดริฟต์ได้ดริฟต์ได้ก็เหมือนกับจะเรียกว่าอะไรเหมือนทำให้มัน มันทำงานได้มากขึ้นกว่าปกติแล้กันเรียกว่าอย่างนี้ education a l educational robotics เนี่ยเป็นหุ่นยนต์เพื่อการเรียนรู้ซึ่งเป็นของเล่นแนวใหม่เทรนที่มาพร้อมกับล่างหุ่นยนต์เดิน2ขาหรือใช้ล้อลดนะสามารถควบคุมจากระยะไกลได้ผ่านแอปในสมาร์ทโฟนโดยใช้คําสั่งพื้นฐานอย่างเดินหน้าถอยหลังเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหากอยากให้ลื่อนไหวก็ทําได้เลยกว่า น, นี้ก็สามารถเขียนโค้ดผ่านโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อสั่งการควบคุมลุงหน้าได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ เป็นหนึ่งเทรนด์ที่เกิดขึ้นในยุคนี้เพราะว่ายุคนี้คุณพ่อคุณแม่ก็คาดหวังให้ลูกเนี่ยสามารถจะทำอะไรที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีโดยเฉพาะควบคุม AI ได้ก็เลยเริ่มมีของเล่นแบบนี้ออกมานะฮะเขาบอกว่าสำหรับตัว Robo Master S1 เนี่ยถือเป็นการเอาเทคโนโลยีเกือบทั้งหมดของ DJI มาพัฒนานะอย่างแรกเลยก็คือส่วนข้อต่อของตัวหุ่นยนต์ที่ใช้แกนกันสั่นหรือว่ากิบอมาแปลงเป็นข้อต่อการป้อง ป้องกันเหมือนป้องปืดนะครับบลัสเตอร์เซนเซอร์ตรวจจับ ก, การเคลื่อนไหวนะโมชชั่นคอนโทรลเลอร์มาใช้เป็นกล้องจับภาพเคลื่อนไหวของผู้เล่น ให้ออกคำสั่งผ่านการทำงานได้ด้วยเซนเซอร์ IMU จากดโดรนนะฮะแล้วก็ใช้ชิปควบคุมอัจฉริยะแบบที่เคยใช้กับตัวโดรนอีกเช่นเคยนะฮะก็จะเห็นว่าเขาจัดเต็มจริงๆน ะ, ะส่วนตัวกล้องน ะ, ะสามารถถ่ายวิดีโอแบบ Full HD และใช้เป็น Field of View แบบ Low Lensy นะคความละเอียด HD ส่งภาพจากตัวหุ่นยนต์มาอย่างจอสมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ตได้เพราะฉะนั้นก็เหมือนดึงจุดเด่นออกมานะฮะมาดูราคานิดนึงราคาของเจ้า โ o b o Master S1 ันตัวแรกตัวนี้นะฮะราคาอยู่ที่499เหรียญหรือประมาณ 15,500 บาทนะจริงๆในคอมมาดครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหุ่นยนต์อีกค่ายหนึ่งนะของ อ, อ, อะไรนะยี่ห้ออะไรผมลืมแล้วแต่จำได้ว่าเป็นของ s v o a เนำเข้ามานะฮะก อ, อเป็นหุ่นยนต์สะเดียวกันก็คือสามารถเขียนโค้ดตอนช่วงถแถลงข่าวกับตอนพิธีเปิดเนี่ยเราก็หุ่นยนต์มาเต้นโชว์นะน่าจะจาได้นะก็ คุณโยนน่ารักน่าักแบบนี้ก็กลายเป็นของเล่นของน้องๆในยุคสมัยใหม่นี้ส่วนใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่ก็คงต้องเตรียมสะดุ้งสะด่างนิดหนึ่งนะของเล่นเดี๋งนี้ก็ราคาไม่ถูกแต่ก็เป็นประโยชน์จริงๆเพราะว่าของเล่นเหล่านี้น่าจะช่วยทําให้น้องๆหนูๆของเราเนี่ยมีความสุขแล้วก็ได้พัฒนาความรู้ได้อีกด้วยนะครับอ่ะดูจากเวลาของวันนี้หมดลงแล้วนะครับนะมาฝากกันนิดหนึ่งกับเรื่องราวดีๆจากโซเชียลที่พี่มิงเขียนเอาไว้นะฮะก็ บิดท้ายกับเรื่องของคําว่าความทุกข์ละกันฮะสั้นๆ น, น, นะฮะเขาบอกว่าจงมองว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตความทุกข์เป็นสิ่งที่เลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้ามวัาามวแต่สโทษสิ่งต่างๆที่เกิดความทุกข์และมองว่าเป็นสิ่งผิดธรรมชาติและไม่เป็นธรรมเราจะหาความสุขได้ยังไงครับกับโลกของวันนี้นะครับก็เป็นมนุษย์ชอบสร้างกำลังใจแบบพี่มิงก็ต้องมอบกำลังใจให้กันนะครับเวลาวันนี้หมดลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่คืนพรุ่งนี้วันนี้สวัสดีครับ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 w w w .f i s f .r m u t t .a c .t h รับฟังรายการย้อนหลังได้ทาง w w w .radio .r m u t t .a c .t h หรือติชมรายการได้ที่ facebook c o m r m u t t r a d i o หรือทางลายออฟฟิเชียล @rmuttradio FM 89.5 MHz สเมรสร้างสรรค์และผลิตรายการโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรี Lord. <laughs> I got. Yeah. ราวเิ้า ปายอยากบอกความในให้รู้ทุกสิ่งแต่เราเป็นผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ผู้ชา ย, ชชายเพราะว่าฉันนั้นคือผู้หญิงจึงไม่อาจเปิดเผยความจริงข้างในจึงต้องเก็บไว้และต้องซ่อนไว้ลึกๆในใจแต่เพราะว่าฉั น, น, น ใน่ ไปเอาตางได้กันเาก็ไปตวกันตวันแสนมวนใจพอพบหูจะสาวชาวกรุงบเตาได้อ้ายก็ไปเอาอกเอาใจแต่เขาแค่เพียงบ่เหมือนเอกเปนแล้วกหจกเพียงหน้าตาูใจเันปลา มาคอยเฝ้าเป็นใจอีแล้วคงบา ด, ดีไปไว้ใจเคยกินพิกาจ๊อบอกเคยกินพิซาหากว่าลุงตองจะย่าจะได้เป็นบอดใจคนเมืองบ่เหมือนหากเป็นลากลายไปจะอูจะได้บ่ออกก็บ่ได้ห่วงทั่วไงยัง แค่ได้ข้ากลัวไอ้โดนลเ็กับจะได้ก็บบเป็นอีลจะไวใจได้กา